พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่29โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าคงจะเคยเป็นญาติกันมาก่อนเมื่อ น, นีเป็นวันที่17 พฤษภาคมพุธศักราชสองพันหาร้อยห้าสิบเก้าพระที่เพิ่งกู้บาไล่งานมาเนีในวัดของห้าหาสิบโปกนะเดี๋ยวนี้นะพระห้าสิบรูปลงมาฉันสี่สิบเจ็ดรูปนากสองลวงพอออกจากวัดไปหลายมือลูกหลาน องพอไปตั้งแต่วันที่หาเดินทางวันที่หารงกรุงเทพจากนั้นเดีไปขึ้นเครื่องไปแต่วันที่สีไปวันที่สีไปพักกรุงเทพคืนนึงวันที่หาออกแต่เชฉาไปขึ้นเครื่องอยู่สุวรรณภูมิพระไปน้ากันเจ็ดองค์โยมสามไปอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียไปฮอดพุนวันที่ห้าและก็ผักวันที่หกสรุปแล้วก็คือไปไปมือหนึ่งกับมือหนึ่งรวมล้วเป็นส2บสองมือกลับวันที่6ิลหกูกหลานกลับเมือว่านพอจากกลับจากอินโดนีเซียกลงกรุงเทพ มาพักกรุงเทพก็มาขืนเครื่องอยู่สุวรรณภูมิมาลงอุดอรถึงอุดอรเกือบสองทุ่มขับมาหอดวัดมือขึอซอดมาหอดวัดเนยหาทุมกว่าๆลยหาเกือบหาทุ่มเคร่องอาบนา้าอาบทายังเรียบร้อยชซเดยพักผ่อนเกือบตีหนึ่งแล้วลูกหลานมาขึ้นใช้เวลา นานพอสมควรอยู่ไปเข้านี่ก็ถ้าหากว่าแบบพูดแบบโรกโลกเขาก็ว่าเอไปพบพี่น้องเก่าอจากแมนพี่น้องเก่าขนาดในกระโบหนะูพ่อไปเห็นเขาแล้วก็โอ้เหมือนกับเขาเห็นเฮาเหมือนกับเคยเคยอยู่น้ากันมาน้มน้านะลักษณะจังสัตวยิ้มแย้มแจ้มใส อพ่ออกพ่อใจจักเม็นหมอกยัดโบจักภาษากันมันไปพี่แต่มิแต่เฮ้าขาว่าสุกโ ข, ขสุกโ ข, ขได้ว่าเฮ้าขาวาทอานั้นแล้วมันไปไอ้ทุกคนมีสุกเนอสุกโ ข, ขสุกโขอะพราะเขาเคยเก่งทั้งภาษาบาลีเลยพวกพี่น้องอินโดโดยมากก็เป็นพวกลูกหลานของกรีนพ้นทะเลเป็นลูกหลานออ เบิงเบิงแบบเป็นภูมีฐานะที่เดียวเลยแต่เขาจัดเป็นช่อมร่อมช่อมล่มไปบ้านไปทีแรกก็ไปเขาตั้งเป็นมูลนิทิวันมูนิทิวัดหลวงตาคือสองสามีภรรยาเนี่ยคุณเฮนรี่กับคุณเจฟ้าได้ศึกษา ประวัติของหลวงตาวัดจะม่าว่าจะม่าจะม่าจะม่าจะมากราบคารวะหลวงตาผลในสุดหลวงตาก็ได้จุดตีนเหพานโอ้โบท่านเลยมาในงานศพของเพิ่อนมาในงานศพหลวงตาโอ้โหมาอยู่ตัง้งหลายมือเห็นแล้วเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสซัดท่าโอ้ขันาวาหววดเข้าโบท่านเข้าโบท่านหาานลวงตา ก็นา จ, จะท่านหลุกสิท์หลุกหาของหลวงตายากหน่อยกับเปินก็จะได้แม่มาแนะน้ำสั่งสอนพวกเข้าก้าบไปบานบานี้ไปซื้อที่ดินสมรวบรวมโมพวกเืินได้ตั้งสมรมขค้นมาคือก่อนเขาสิสั่งวัดหรือสั่งสำนักนเขาต้องมีมุ่นที่รับรองก่อนเเป็นของกลางก่อนว่ามันของผู้หนึ่งผู้ใด เขาก็เลยตั้งมูลนิธิขึ้นมา ก, ก่อนพอตั้งมูลนิธิเรียบร้อยแล้วก็ร่วมกันเป็นกลุล่มก็เลยสั่งซื้อที่ดินสัง่งสาราสัาง่งสับหนักสงอพกไผ่ได้เห็นกับแต่ต่างกุฏิโมเมนหลังหน่อยได้ใหญ่พักสบายๆนะมีห้องน้ำห้องท่าพร้อมสั่งสองเดือนเซต็ตวอลงไป วันลงพอจะไปวันลงพอตกลงมาไปแน่เดือนาพุทธภาแล้วท่านออกพนซษาแล้วเขาก็สร้างงนวันเพ้าไปเบิงไงโ อ, อ้ยังปู่ยังเปียกๆอยู่ว่าปนัน่นแล้วนะไปโอ้เขาเห็นตัวซัทธาบานในคนล่างไหลามากห่างจากกรุงจากาตาประมาณสักหกสิบกิโล่พอลงจากเครื่องบินตอนนั้นเขามาละพอจะน้ำบินวะเนี่จะน้ำบินเขาก็ เปิดโอกาสให้ง่ายๆว่าเนี่ยไปเขามาโพกน้ำมันรุ่มบรตทุนเพราะว่าเพราะมันพวกกลุ่มเนี่เป็นกลุ่มคุ้มเศรษฐกิจของอประเทศเขาอยู่แล้วเบิ่งๆแบบง่ายๆว่ า, าไปเขาไว้เนื่อเชื่อใจกันจากนั้นก็พอออกจากนั่งเขาบนนั่งไปหอดไปนั่งชันนามฝนแท่ล่องบัดเนี่ยผมไปหอดอินโดนีเซียฝนตกในลูกลานตกย่างแห้งเลยลสนามบิน พอออกมาก็มาก็ขึ้นรถก็ฝนตกตลอดทางไปหาหม่องผักตำรวจตำรวจทางหลวงตำรวจออมอเตอร์ไซค์นำหนาสองขั้น <c oughs> นำนำหนารถรถลงพอเพราะันหกเจ็ดขั้นไปนำแรงน้ำโกนกันมอเตอร์ไซค์น้ำหนาไปหาที่ผักแต่เมืองของเขาคือ คือกันกับพองไทยเขานะะเหลืองรถติดวันไปบอ้อแพ้กันวันไปแต่มอเตอร์ไซค์เขานะ่ยห้องอยู่ตลอดทางวันโนไปห้คนหลีกทางหายอยโจจะไปหอดที่พักคำเกาหาที่พักขนาดนั้นสัดท่า ญ, ญาติโนมเต็มอาญะอยู่เลยโอ้ก็ได้บอกก็เขาแล้คกับช่วงเงย็งแลวกัปาลบเรื่อง ไปเรื่องมาแล้วครับเดืกพ่อสุ้งขั้วครับไปพักมือผักมื อ, อย่างมือเศร้าค้นใส้บาทโอ้โหบอแมนหน่อยคือกันอาหารหล่นลามเลยจักแมนยังต่อมแมนยังกระดดเขาถวายจตุ ป, ปัจจัยได้สามสิบกวาลนสามสิบกวาลนปปู่ปีอครับ <c oughs> มีเงินโดดมีเงินอะไรแน่นอนถมแถ ม, แถ ม, แถมบหลาย์หลวงพอ่อพักอย่างที่ซ้องขึ้นเขาก็ถวายกุฏิสาวเสนาสนะหลวงพ่อกับคณะสงกลับหรับว่าเป็นอยู่ในอุปถัมภ์ของหลวงพอ่อหลวงพ่อจะมาเบือใดเมา่อใดแล้วไงหลวงพ่อเป็นผู้ชี่ขาดจะให้บริหารจัดการจังไดให้หลวงพ่อบอกมา หมาไปหลวงพ่อไปชจิตขอหลวงพ่อเอาเถอหลวงพ่อไปใส่ไม่แต่เอออยู่เรื่อยต้อไปปอบปันหลวงพ่อดีเนาะนอนไปแต่ในเขาก็ถวายถวายใจแหละหลวงพ่อเอือโอ้ขอถวายพระยกอีกองหนึ่งเด้คือกนกขบพระแก้วนีอพระประดับด้วยทองคำเขื่องสังวาพนเอาเถอเอาหลับระเด้อ มอบไปเจ้าของขึ้นไปกาบไปไหวเป็นผาไปจำขอบครั้วไปจำตระกูลหน้าหลวงพอบอกเมื่อนางดอกเมื่อเมืองไทยจะจะไปจังใดพระพุทธรลุบหมอบไปหน้าโมะเมนต์ของโมเมนของของยมและเทวดาเนี่เป็นของหลวงพอ่อหลวงพ่อมอบขึ้นไหนพอพระพุทธหลุบโมเมนของผู้หนึ่งผู้ใดเลยเป็นสาธารณะกับผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นของทุกคน พระพุทธลูกวันนั้นปองพอหมอบให้โยมจกของขึ้ น, นเนอะเฮนรีนอะเอลฟาเนอะเขาก็หลับไปปาจะตุกปัจใจให้เสียต้อมนับเบิ่งเท่าไดร่ต้อมเราเปินสามสิบกหลานหลวงพอ่อสามสิบกุหลานก็มั่นแสนกว่าบาทพราะยี่สิบล้านแสนกว่าบาทกแสนกว่าบาท หลวงพ่อเออเอาปัจจุปปัจจัยมเนี้ทั้งมัดที่ใดมาเนมอบให้ครับมูนิธีนาเพื่อมีความจําเป็นจะได้ใช่พระสงฆ์มาองค์ไดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มาเนี่ก็ได้ใช่แต่จุปปัจจัยเอาหลวงพอมอบให้คณะกรรมการรับเดมือที่สองี่ยคนก็มาแต่มือแหลงมาหลายกว่าเพราะเหตุอะไรเพราะเขาถวาย เส น, สนาสนะถวายกุติมือที่สองกับคู่ขี้กันนะวะพอฉันยังหันเชื่อถึงหลวงพ่อออกจากอ่านกับไปอีกอสุล่าบายานะไปหอดพงมล้มอีกนะเลสมล่มพุธค้อนโอหลายลอยคนของผู้ชุ่มบักใหญ่ขึ้นกันแต่หลวงพ่อไปเชียอทานจะวอาภาษาอินโดปเป็นนะ พอบอลบัตรไดก็บรรากหายพระอาจารย์ภคุคุลอาจารย์ภคุคุลว่องสินเป็นผู้อธิบายอธิบายคำพูดของหลวงพอ่อตอนหนึ่งก็เป็นอันวาเทศแต่ละกกันเทศแต่ละมือ่อเทศต่ละกกันเนี่ยหลวงพอว่อบอลแล้วกัแปเบอลแล้วก็แปรแป ล, ล, แ ล, แปลว่าเทศสองกันกันไปไเพราะว่าิเทศบอลสามสนึที่เนี่ยต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่า ขันนาเทศเป็นชนะั่วโมงเยต้องสองชั่วโมงกว่าไปนี่แหละแต่ถึงจะไดกรตตมพีนองไปชาชนชาวอินโดนีเซียนั่นงฟังเ อ, อนานั่งฟังอิริว่าไปให้เข้าคนหิวหิวการศึกษาหิวธรรมะให้เข้าเบิ่งเบิงมีอดีตมีอดีต อ, อ, อธิปดีกรมการศาสนา ปนเคยบวชตัวดำๆเวลาหลวงพรองเทศอยู่หอไปชุม่มเมื่อวันที่สิบผาสองชั่วโมงกว่าเลอในทางเก้าอีปน้อมเมื่อตั้งแต่ทีแรกจนชุดไทยเ่าเห็นแล้วขนาดอายุถึงเจ็ดสิบกว่าโมเมน์ธรรมดานะี่นี่แหละไปเห็นเห็นชาวพีนองอินโดนีเซียแล้วก็ ไปคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในการในภูมิรัศาสนาอย่างที่หลวงพ่อบอกให้พวกเข้าลูกหลานฟังวายพาขวายว่าพร้อมกันสัมมาทิฏฐิกัเป็นคนเป็นพันก็ว่าพร้อมกันอาราธนาเศรษฐกันว่าพร้อมกันอาราธนาเปรตก็ว่าพร้อมกันสักเคสเทพเจ้าเล่าเทวว่าเออก็ว่าพร้อมกันโอ้เห็นขาเก่งอิริ หนาจะนําแนวความแนวการประพฤติของเขามาใชัในเมืองไทยของเฮาพอเราเปนการศึกษาเด็ดผมเรียกว่ามายังพันเตติสรเนนสหะเนีนนะ่ยมันไี่ตัว ห, าหา้าเป็นผู้พ่อเป้าพ่อเว้าแล้วกัลูกน้องกับเป็นผู้รับสินบาไฮเนี่ยพ่วของ้ า, หาพ่มากแต่นันวันในลูกน้องโลกเล็กลูกเล็กเจ็ดิ ไปจะเป็นผู้ผ้านําอั น, นันเขาบ่อแล้วเขาเว่พอมกันว่าหนามากหรือบ่มากเขาเป็นหัวหน้าน้ากันมัดทุกคนเป็นสิทธิ์ของเขามัดทุกคนพอว่พ อ, อ, พ อ, พอมกันเลยอาราธนาธรรมขึ้นตรงพ่อเองออเออเก่งกว่าปีหน่องยังมากปีไปปีเนี่ยก็ยั่งคือเกาที่เขานัหนอย่างนั้นก็นลงพอก็ไป เขานดมนต์ไปเทศเขาคอร์ดอีเด้เขาคอร์ดแค่ว่าเขามาปฏิบัติธรรมก้นเป็นจังรอ่อยเขาก้นหมดเศรษฐีของเขาก็เศรษฐีใจใหญ่เขาสั่งคนรวยเขาก็สั่งบ้านพักบ้านพักเสร็จแล้วก็สั่งสถานทีปฏิบัติธรรมเหตุไฟผู้ยิงไฟผู้ใช้แล้วก็ไฟพระสงฆ์แล้วก็ศาลากลางแล้วก็มองกินเขา่ามองทานอาหารของพระสงฆ์มองฉันอาหารพระสงฆ์ จัดเป็นสัดส่วนเป็นสวนยอมแล้ว เ, เขาเลียงเรียงอาหารให้อีกต่างหากอาหารแต่ละมือมีโลกงท่านเลียงแต่บอกเบิงเบิงเลใจแคบเรื่งหนึ่งไว้ตรงพอไปเบิงเลยชาวอินโด เ, นเขาถือกฎระเบียบของฝรัง่งขันผลได้ศิเขามาหรือมาเขาคอดเขาเน่ตรงโลกซื้อไว้ได้ การพอลงซื้อไปเนะี่ถึงจะมากขับผาผมรู้จักอขับมูเพลินมากติดตามมาหลวงพอมากนี่แหละผมขอมากถึงจะเป็นเมียมาน้ำก็ตามเขาบ่อยเข่าเลยวันหนึ่งไปอยัางไรก็บให้เขา่าพอบได้ลงซื้อไวโอเบิ้งเบิ้งแต่บริเปนะเ็นธรรมดาคือกันวันหน่งไปจนจะเข้าเบิ้งโอ้เช่าวินโด้เนี่ยมันบริเปนธรรมดาขึ้นเลยขับแคบ์วันหน่งไปในะจุดนี่ คาเมนเมืองไทยเข้านอะโอ้ยเอาหลุมอารวยมนไปแต่เมื่อเขาทบ่อใดล่ะขันธมบเมไบนไปกับพระอีรลยนไปกับพระอีหลยยังเสียตอมเสียที่เสียวัด อ, อันนี้แปลว่ามากระพามาจากเมืองไทยแต่ยังไงเขาก็ยืดจุนหนได้แต่ขันาว่าบ่ไปกับพระขนาดนี้น่นเขาบ่อเขาเลยล่ะชมลงของเขานี่แหละ กฎกติกากฎเกณฑ์ของเกาโมเมนต์ของงคือไงนั่นนะลูกหลานนะี่แต่ละบ้า น, แ ต, านแต่ละเมืองเข้าไปเขาก็ต้องศึกษาเข้าไปเบิรไปสังเกตสังกาเบิง์นดวิธีการเรื่องต่างๆแต่สรุปเราก็คือเป็นผู้มีศรัทธาที่เดียวเลยอินโดนีเซียทั้งเมด่อนะ่ลงพ่อไปสิบกว่ามื่นนะ ได้ปัจจัยทั้งหมดนะ4ลอย4ล7ล้าน6แสน9 0มื0ลูกปี <c oughs> คิดเป็นเงินไทย1ล้าน8มื4พัน2อย8 2บาทเป็นเงินไทยนะเออมันทางกันระนั้น3ลย3อ716บาท 30076ลูกปีเป็นหนึ่งบาทเป็นหนึ่งบาทไทยแต่หลวงพ่อขาหมัดเอเอพอไปผุ่นหลวงพ่อเงินเกิดมาจากประเทศอินโดนีเซียเข้าต้องขึ้นให้อินโดนีเซียจะไปออกไปเมืองไทยเข้าพอไปเมืองไท ย, เ, ย, ย, ย, เ, ยเข้าเสียซักสี่หอเลยได้ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อเข้าไม่ซักรี่ได้ลุงหลานเลย เออเอามาเมืองไทยเขาเสียศักดิ์ศรีมันเกิดมง่ไเอาไว้มองหันเพราะนั้นหลวงพ่อจึ ง, ง่วัดที่หนึ่งเยวัดสังฆเมตตาเนี่ยหกสิบสามล้านสามแสนแปดมืนสามพันลูปีสองที่วัดที่สองวัดธรรมทีปะมาลังนี่สองยี่สิบล้านลูปี วัดที่สวิปัชนาบันดุงส0 ล, ล้ปปลานรู ป, ปี40สล้านลูกปีวัดเทรวาดพุทธศาสนาสามส า, าน่าสา0แสนรูปปีแล้วกันหนึ่งอ ด, อดอลลาร์แล้วกัอดบาทหมอไปกับวัด เทรวาตพุทธศาสนากุงจากตาเป็นมูลนิธิของเขาในที่มอบให้นะถวายพระหาวัดคือพระที่หลวงพ่อไปไม่คู่บาอาจารย์ติดตามไปดูแลแล้วก็แปลภาษาอาจารอาจารย์กอาจารย์กูวงศิล์แปลเป็นภาษาแล้วก็พระเป็นปู ด, ดูแลหลวงพ่อเออเอาถวาย ถวายกูบาทติดตามกุบาทจาติดตามหลวงพ่อเนอเปินเสียวปหลังเวล่ากับหลวงพอ่อถวายเพิ่นหนึ่งแสนสี่สิบลาทรูปปีแล้วก็ปถวายวัดวิปัชนาคลาหะวิปัชนาคลาหะแปดสิบานลูปปี หมอกยมุม่นนิธิสังฆเมตตาหนึ่งลอยหนึ่งลอยยี่สบ2ล้านหาแสนเจ็ดพันลูปีคาใส่ใจทั้งทั้งไปจะไปทั้งไปทั้งกลับนะทั้งไปหลวงพอ่อประจัยที่ไดนมาเนี่งหมงไหขอญนญยาญง้อมขอบทถวายนน่ำ อมันยอมเยา่าเอาปัจจัย ถ, ถวายถวายอสื่อของมาถวายผ่าเดอ้ออยากให้เปืนขาดตกบกพร่องด เ, อเด้อเดี๋ยวคนหาวัดมากันหลวงพ่ออินเนี่ยเขาถวายปัจจัยปรจักษ์โตไรบาดแล้วน้าน้าสมนำ้ำหวานพวกเขาก็ไม่ได้กิน เ, เดี๋ยวพาเขาจะจมให้หลวงพ่อโบรไรเด้เอเพราะนั้นพวกตัวเจ้าตกเบงนะสามคนเนีบอกไม่ชี้เม่ผม บอกนะหน่อยห้นไม่ชี้ไม่เป็นข้นท้องทินเอารถไปสื่อมาถวายกูบาอาจารย์ติดติดตามลงพออยาให้เป็นเออดอดเป็นอยากปไปเลยนะผูกนามผูกค้องใจอย่างนี้ก็ตามที่เป็นจําเป็นพอก็ถวายเฮาก็ถวายเฮาเลยเห็นะหมันเกิดประโยชน์ถวายเฮาเฮาก็หับไปเลยนะปัดใจซีจริงเลยที่จําเป็นแล้ก็จะเฮาก็ที่ใส่ไปมันเหลือก็มันเหลือกันนะ่ะ ขวบจีหมอกไปวัดต่างๆบอมนันจีหมอกไปวัดต่างๆทั้งหมดบอมนันได้การเอาเข้าตายมันจีหมอไปได้จางไหนหมเข้าตรงเข้าตรงมีอยู่มีกินเลี้ยงเข้าจักรได้จะกรยังคอยหมอบวัดอืน่นนี่แหละอันนี้ก็คือขาใจใจหกลา้ลานหกล้านหาแสนลู ป, ปีกระบอหลายได้หน่อยเดียวขาใจใจพ่ อ, อ, พอไปเลยไมีถคนบรลุมบรตุ ดูแลมันเห็นรวมทั้งสิ้นเนี่ยรวมทั้งหมดตัวนี้ไปเป็นเงินสี่ร้อยสี่ร่อยเจ็ดล้านหกแสนเก้ามืนลู ป, ปีิดเป็นเงินไทยหนึ่งล้านแปดหมื่นสี่ร้ยเอ้สี่พันหนึ่งล้าน 84,282 ี่พสองบาทอัตราแลกเปลี่ยนส7 6อลูปีต่อหนึ่งบาทนี่แหละลงพอไปลงพอกขอบอกให้ทั้งเมือแ ล, ลงพอเบา อ, อ, อย่างมากนอะแต่จจนิภาไทย ต, ติดตามลงพอไปนำ้ำลงพอรัตนะ์ลงพอซั์ หลวงพ่อท่านตึงท่านสามสี่หาองหลวงพ่อเออเอาปัจจัยที่เป็นเงินไทยเงินดอลลาเงินสิงคโปร์เงินจีนเงินโมเดเอาไปเมืองไทยนะครับเอาไปเมืองไทยะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนแล้วก็ได้เงินมาก็จะคอยถวายคู่บายจากติ่ติดตามหลวงพ่อก็ประมาชักบ่นา เจ็ดแปดมืนบาทน่หลวงพ่อเบิปัจจัยจำนวนนี่พาถึงแสดก็พอเอาเขาบัญชีอเสียต้อมทรไปถามคู่บาอจาจย์แต่ละวัดนี่ก็พิจารณาเขาไนะถามอารรันะตะนะเหล่าที่ถวายองค์ละเท่าไหร่พระหน่อยพระใหญ่มีพรรษาหมากเขาก็ถวายอย่างหนึง่งพระมีพรรษาหน่อยเขาก็ถวายอย่างหนึง่งบราเป็นถวายเสมอกันมดนะตามฐานานุรูป ของแต่ละองค์บอมเมนที่ให้เสมอการพระทิดอินโดนีเซียขึ้นกันหลวงพ่อมอบให้ประธานสงฆ์ของเพลินก็บอกมอบให้แสนหนึ่งนึ่งกันบอมเมนจะให้เสมอกันเนะาพระภู้มีอายุพันษาพระี่มิธานะจังไรกับพิจารณากันให้ตามความเหมาะสมนั่นแหละบแมเมนที่หลวงพ่อจีนมีสิบองค์มีหาองค์ก็หารหารบอมเอนได้ องหน่อยก็ให้ตามหน่อยหรือพึ่งมากทีต่ติดตามไปหมืสองสามมื่นก็ถวายเพิ่นบทตองหลายผู้ติดมีภาละมากติดติดตามเฮ้าก็หายเพิ่นองหนั้นหลายกว่าอย่งสียเราหลวงพ่อเคยสั่งแต่หลวงพ่อขอหลวงพ่อสีสั่งหลวงพอ่อจิตจะแยกย้ายวันที่สิบหกพ่อเข า, าสิมาไซบาดประมาณหกเจ็ดโมงนะ หลวงพ่อก็เรียกคู่บ่ายจายัดมาพอมหนาพอมตากันมั ด, ดเลยก็มาในห้องหลวงพอ่อล้วเอินเสียต้อมมากเสียที่มากเสียวัดมากปัจจัยของเขามีเท่าใดนี่แหละเรื่องจิตุปัใจจัยในสําคัญเด้ะมันเป็นกระดาษกูจิงยุแต่ทัาไม้พระคัดของหมองใจกันทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นมันเกิดนี่ยแหละเกิดเรื่องปัจจัยเนี่ยนะเรื่องเงิน่นเงตัวนี้แหละกระดาษตัวนี้แหละ คนหันเข้าอยให้มันมีกระดาษจังงีไม่ก็ใส่เป็นปัจจัยใส่ส่วกระเอามาหาตายไปแล้วเอาไปนั่งบ่ไใดดอกแต่เหตุไห่มันย์เถิดมันมีเท่าไรละ่ะเสียต้อเที่เขาก็มาไล่ๆลให้ฟังหลวงพ่อเอาแต่มันเป็นยังสีขึ้นมาแล้วเดียวหลวงพอ่อจิตผมนะปัจจัยคือมาเท่าเน่ล่ะ ถวายไปแล้วก็ไม่ว่ากันละจำนวนที่ถวายไปวัดต่างๆที่ผ่านมาแต่บัดนี้มันยังเหลืออยู่เท่านี้ถ้าว่าผมพูดผิดก็ให้พวกหมู่พวกเพื่อนคัดทานขึ้นมานะถ้าว่าพูดถูกแล้วคือเอายอมรับกันไม่ต้องพูดต่อไปภายภาคหนาพอได้ตกตกลงกันแล้วในที่นี้ในที่ประชุมพอมาลงพอเออเอา แบงจังสัตแบงจังสัตย์แตหลวงพอ่อเออ่านจะคุ้นจะคุ้นวัดเสื้อเนี่ยจะคุ้นจันเน่ยเออพ้นกัรลวยพอแห้งแล้วล่ะจะคุ้นจันบโบไใหลวงพ่อบมลุ่งวัดปลาหวานตาเป็นล่องเจ้ า, าวัดอ่าอันนี้ก็บอไฮหลวงพ่อก็บอเออสามองค์เนี่สารสิทธ์เห็นด้วยพอ ท่านจะคุณจันทร์สาธุสาธุเห็นด้วยครับนะบอมลุงเออครับเห็นด้วยครับเออเอ า, เอาบาทนี่ยแบ่งละบาทเนี่ย เ, เป็นเงินไทยเอาแบ่งเป็นเงินไทยนะมันง่ายมอา้าวไฮพาอินโดนีเซียกูบายจานท์อินโดนีเซีย 1, หนึ่งแสนไฮมูลนิทิที่เขามาที่แรกสองแสนไฮมูนิทิของลุงพ่อวงศิลป์ถวายเปิ่นกอนน่ะ ถวายพ็นกรหนึ่งแส0 0 0นบ้านถวายอีกสามแสนเป็นสี่แสนให้เนสี่แสนมุลนิธิวัดที่แรกเข้าไปแสน 1, หนึ่งเข้าถวายอีกสองแสนมันก็เป็นสามแสนนั่นแหละเนี่ยเสร็จแล้ววิธีการถวายพระในเมืองไทยอีกให้เสียต้มจัดการอย่างสีหน้าครับเอาผู้ใดขัดของบอ บ่สครับผมมีกระไดคัดของเอออคัดของจบแล้วนะน ะ, นะปัจจุปัจจัยที่เกิดในอินโดนีเซียเข้าตรงเอาไว้ในอินโดนีเซียไม่ต้องเอากลับไปเมืองไทยดอกเมืองไทยหอ้องอพอเป็นพอไปพ่ออยู่พ่อฉันอยู่บินต บ, บาตมาชันกินให้ดทองแตกก็าบอกมวม่าหลวงพ่อว่านะออันนี้ครับมันเกิดชื่อใส่เอาไว้ในหันก่อนออกมาหลวงพ่อก็ประกาศเดี๋ได้ผนะ่าน คนมาจากหั น, นยังไม่เท่าร้อย เ, อเจตระครหลวงพอนุสินชี้แจงหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยนะจะทุปัจจัยที่เกิดมาในอินโดนีเซียเนี่ยนะจัตยานยนโลล์หลวงหลานขอแจ้งให้ทราบหลวงพ่อจะมอบไหวเหตุเป็นมูนิทีดูแลพระสงฆ์อาพาธหรือ ว, ว่าเด็กหน่อยเรียนหนังสือด้อยการศึกษาหรือ ว, ว่าแผ่นดินมีปัญห า, าผู้เขาไฟ สีหน้ามิออ้ยังก็ตามมันเกิดก็เห็นปัตตมปัจจัยเล่านี่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยไอ้บอกให้มันใจให้มันเกิดประโยชน์ในอินโดนีเซียอ่าขันธวันลูกหลานผู้ใดโอ้หลวงพ่อยังบอเอาปัจจัยหลวงพ่อวันนี้ปัจจัยที่ลูกหลานได้ถวายหลวงพ่อเนี่ยให้ได้บุญสองเด้งถวายหลวงพ่อได้บุญได้บุญหลายแล้วหลวงพ่อถวายต้อยพวกเข้าได้แต่บุญ ในบุญต่อเอกต่อจากทีหลวงพ่อถวายอในที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ของพี่น้องชาวอินโดนีเซียกันว่าต่อไปพา้าอีพากนาลูกหลานไปเมืองไทยโอ้จะถวายปัจใจหลวงพ่ออินเลยเออนั่นแหละมีเท่าไหร่เอาไปถวายเมืองเมืองไทยนะหลวงพ่อรับพราอ่านบัตรหลวงก็พอก็ว่าจี่สัน่นหลวงพ่อสั่งล่าเอให้ลูกหลาน สั่งบุญสัางกุศลนั้นลูกหลานน่ะกันหลวงพ่อสุขภาพดีบอเจ็บบอไข่บอตายหลวงพอ่อคงจะมาพบกับลูกกับหลานอีกต่อไปพายภาักหนาหมือนข้าวต่อไปเขาก็สาทุสาธุดเวลาเขาแปลแล้ว น, นไปพอมหอดสนามเบียลูพ่อลงพอ่อจพวกกลุ่มของดิฉันนี่จัดวันเกิดให้สมเด็จสังฆราชเล่า เพิ่งมาจัดจุปีลยจัดที่อินโดนีเซียโอ้จัดหิ่งหอยแล้ ว, วะเขาเอาลูกไปเบิรงนกนออกไปลูกในโทุเรศทัดลูกในเฟดเออมียอย่างตัวมียอย่างหลวงพ่อมาอินโดนีเซียขอ ห, หลวงพ่อมาจัดวันเกิดอินโดนีเซียขอทิมวอนได้แล้วแต่ทิมทิมวอนหลวงพ่อมาจัดวันเกิดพวกเราจะจัดให้เต็มที่แล้วหลวงพ่อ หลวงพ่อรับไว้พิจารณา อ, อ๋อแล้วพ่อนะนีดนะ